ถึงผมจะหล่อน้อยแต่อาหารของผมอร่อยมากนะครับถ้าไม่เชื่อลองเอาเมนูของผมไปทำดูครับ